ทำใจให้มันคึกคักหน่อยห <c oughs> ลวงพ่อคะและ้วพอดีมีคนเขาฝากถามนะคะ <c oughs> เขานั่งเาทำสมาะค่ะแล้วเขาไม่ไม่เข้าใจคำว่าถอนจิตขึ้นมานิดนึงอะไรเงนี้ค่ะอ๋อคือส่วนมากเวลาไปรู้เวลาที่แตมาบอกให้ถอยขึ้นมานิดนึงเนี่ย <c oughs> เพราะว่าเวลาเราไปทำกรรมฐานนะใจเราถลําลงไปใจเราไม่ตั้งมั่นในการรู้อารมณ์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 มันเบื่อว่าทำไมมันเกิดขนาดนี้แล้วพอถัดจากนั้นเนี่ยอีกสองสมวันก็ก็ไม่ค่อยดีค่ะแต่รู้สึกว่ามันจิตใจเป็นยังไงรู้อะะแต่ว่าไม่มากเท่าไหร่มันอะไรนะทราบว่าว่าเป็นยังไงแต่ว่าไม่สติไม่ได้เกิดบ่อยเหมือนกับวันที่หลวงพ่อทักไปแต่พอเริ่มจะมาวัดก็เริ่มดีอีกก็ได้นะส่วนมากเวลาจะมาวัดอย่างมากมันก็ดีไป7วันเท่านั้นแหละ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 ต, ต้องฟังแล้วก็ไม่แน่ใจในการถ่ายทอดแต่ทีนี้พอครั้งหลังๆต่อมาเนี่ยเหมือนกับไม่มีครูบาอาจารย์ที่นั่งประกอบอยู่ด้วยอะค่ะแล้วเขาก็เลยกลัวแล้วเหมืนเหมือนกับจะอาเจียนแล้วเขากไ็ไม่กลัวมากไม่ไม่สามารถผ่านตรงนี้ไปได้หลวงพ่อจะแนะนำว่าอย่าไรคะยิบิธรรมเลยนะสมาธิสมาธิต้องตั้งมั่นสมาธิไม่ได้หมุนสมาธิเป็นความตั้งมั่นของจิตนี่บางคนฝึกหมุนนะจงใจหมุนเลยก็มี นนไม่วิจานนะเ ข, เขาฟังเขาฟังซีดีหลวงพ่อเยอะแล้วอะค่ะแล้วก็พยายามทำดี<ห>ที่หลวงพ่อให้เขาฝึกอยู่ในชีวิตประจําวันนะถ้าอย่างนั้นมันเครียดเกินไปบางทีมันข่มใจนะเคลิ้มลงไปนะจิตใต้สํานึก ก, ออก็บางคนจิตใต้สํานึกทํางานออกมานะรู้สึกตัวเองเหมือนสัตว์เลื้อยคลานก็มีนะเลื้อยๆไปตามพื้นเลยก็มีไปหลงเป็นเจ้ากรรมนายเวรเป็นอะไรต่ออะไร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 มีความรู้สึกเหลืออยู่นิดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ขาดหายไปเรื่ต้องรู้สึกตัวความรู้สึกตัวสําคัญที่สุดวันนี้จิตกระจายครัวันนี้กระจายตับถูกเนี่ยหนุ่มเนี่ยมันบังคับตัวเองเยอะไปมันอยากดีรักดีหามจวัวจวัวหนักนะว่ากระจายแล้วรู้ว่ากระจายแล้วมันก็ยังไม่หายใช่ไหมถ้ารู้ไปเรื่อยๆนะรู้แล้วสบายใจ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 สะสมความเห็นถูกเดือนหนึ่งแล้วโอ้ตั้งเดือนแล้วยังไม่บรรลุอีกหลวงพ่อเคยเจอนะภาวนาได้เจ็ดวันโอ้เจ็ดวันไม่บรรลุต้องเจ็ดเดือนถึงยังบรรลุเจ็ดเดือนก็โอ้ยังไม่บรรลุอีกละเจ็ดปีคงยังบรรลุจนนี้เกือบเจ็ชาติแล้วนะยี่สิบสามสิบปีแล้วก็ยังไม่บรรลุอีกคือไม่รู้ว่าภาวนาเพื่ออะไรคิดแต่ว่าภาวนาแล้วจะเอา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 นี่มันเป็นวัตถุเหมือนกับ ก, ก้อนดินก้อนหินอะไรนี่เหมือนต้นไม้เหมือนคนอื่นสัตว์อื่นนั่นแหละเหมือนกันหมดเลยไม่ใช่เราใช้เขาเป็นวัตถุเป็นาธาตุเหมือนๆกันดินน้ําไฟลมเหมือนๆกันเนี่ย ล, ลกความเห็นผิดอย่างนี้ส่วนจิตใจเราเดิมเราคิดว่าเรากโกรธเห็นไหมเราจะรู้สึกเรากโกรธเราอยากได้เรารากัเรากเราเกลียดเราดีใจเราเสียใจจะรู้สึกอย่างนี้พอหัดมีสติ ข, ขึ้นมาเราจะเห็นเลย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 ถ้โสดาบันขี้งกนะถ้าแซกิทาคาก็ขี้งกนะไม่คืนหรอกห่วงห่วงกายห่วงใจส่วนพระอนาคานะเห็นร่ากายนี้ทุกล้วนๆเลยคืนกายให้โลกได้ฉั้นหมดความยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายพอหมดความยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายก็หมดความยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสและผลถั่พะสิ่งที่มากระทบกายแต่ทั่งตา ย, ยังไม่ยินดีกับมันเลยจะไปยินดีอะไรกับรูปที่ตามองเห็นั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 คิดว่าเป็นของเราจริงๆคิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นของเราจริงๆพอได้โสดารู้ะไยกายนี้ใจนี้เรายืมโลกมาใช้ยืมมาใช้แต่งกนะห่วงพอได้ผ้านาคารู้เลยกายนี้ทุกล้วนๆวนไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยมันยอมคืนให้โลกเข้าไปเน้นกายจะแตกดับสลายลงไปไม่เสียใจไม่เสียอกเสียใจเนี่ยก็แค่วางไปตามลำดับนะจนสุดท้ายเลยมันจะรวมเข้ามาที่จิตอันเดียว แล้วก็เห็นในจิตนี่เองก็เป็นตัวทุกข์เมื่อไรเห็นจิตเป็นตัวทุกข์แกมแจ้งจะวางแนละ้วพอาวางจิตลงไปจะไม่หยิบฉวยอะไรขึ้นมาอีกในพระสูตรมีบอกว่าพระขันทังห้เป็นภาระขันทังห้าเป็นภาร ะ, าา พ, าระพระอริยเจ้าทั้งหลายวางภาระลงแล้วแล้วก็ไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกก็เลยพ้นจากความทุกข์เมื่อไรใจเราวางความยึดถือจิตได้นะเราจะพ้นจากความทุกข์ตอนนี้ยังไม่ต้องวางความยึดถือจิตนะ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 ทิ้งมันไปเลยถ้านะเรารู้สึกมันมีอะไรอะหลวงปู่สุวัถึงออกปากยาสงสัยเลยยาสงสัยเลยก็สงสัยอะนะถ้ามันได้อย่างใจอาจารย์สั่งเราก็สบายเป็นนานแล้วสิใช่ไหมนะงั้นหลวงพ่อก็บอกอา้าวทุกคนหลุดพ้นซะนะ <g ül> นะมันไม่ได้อย่างใจหรอกนะโอ้มันพลิกไปพลิกมานะคน้ยยนคว้าพิจารณา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 ทุกแทรกเข้ามาเราเห็นแล้วมันเป็นของแปลกปลอมนะใน ต, ตรงทุกขสัตว์เนี่ยเราเห็นว่าตัวขันนั่นแหละตัวทุกแหมมันพูดไม่ออกเลยนะขันเป็นทุกข์ล้วนๆมันถึงจะยอมวาง เ, าเห็นกายเป็นทุกข์ล้วนๆก็วางกายเห็นจิตเป็นทุกข์ล้วนๆถึงจะวางจิตมาวางแล้วคราวนี้มันแจม่มแจ้งในธรรมะขึ้นมาทุกอย่างว่างนะความว่างหรือมหาสุญญตาหรนิพพานเนี่ยมันอยู่เต็มหน้าเต็มตาเราเนี่เองเราเที่ยวไปหาทั้งไกลเนะ ก่อนหลวงพ่อไปหาถึงภาคอีสานนะรูบาอาจารย์อยู่อีสานนี่เรก็ไปพวกเราท่นนี้มาหาถึงศรีราชาไ ม, ไม่ฉลาดหรอกนะฉอย่านึกว่าฉลาดหาเข้ามานะดูเข้ามาในใจเรานี่วางตรงนี้ปั๊บเนี่ยอยู่ต่อหน้าเลยแล้วทานนี้นะจะมีชีวิตที่อศัศจรรย์ที่สุดเลยมีชีวิตแบบความทุกข์เข้ามาไม่ถึงจิต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 ครูบาจารย์ท่านเล่าให้ฟังว่าโอ้ไปเห็นนะน้ำตาตกเลยด่าตัวเอง <laughs> ทำไมมันโง่แท้เนา ะ, นะมันง่ายแค่นี้เองเที่ยวค้นกว้าเที่ยวดิ้นรนแทบเป็นแทบตายนะวันที่หยุดดิ้นนะเข้าใจเลยแต่หยุดดิ้นได้เพราะปัญญานะไม่ใช่เพราะน้อมใจให้หยุดห้ามน้อมใจให้หยุดนะยกเว้นแต่ต้องการทาสมถะเพื่อพักผ่อนเป็นครั้งเป็นคราวน้อมใจเข้าหาความสงบ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 อย่างบางทีพระหนุ่มเน้นน้อยครูบาอาจารย์ก็สั่งให้ทําความสงบเข้ามาแล้วให้คิดพิจารณากายอนะเพราะอะไรใจมันชอบคิดนี่ยนะถ้าไม่กําหนดหัวข้อให้คิดนะัมันจะไปคิดเรื่องสาวคิดพิจารณากายเหมือนกันแต่กายสาวนะเดี๋ยวอยู่ไม่ไหวท่านก็บอกให้พิจารณากายของตัวเองบอกวิธีด้วยบอกมุมมองด้วยดูนะว่ามันไม่สวยไม่งามน ะ, ะมันไม่สาดนะไม่ใช่ดูอู้หล่อจังเลย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 คิดเรื่องที่ปลอดภัยที่สุดคือคิดพิจารณากายตัวเองแม้ครูบาอาจารย์วัดป่าเลยชอบให้พิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลเจนาสุภาษนะเบื้องต้นพิจารณาเป็นปฏิกูรูสุภาษต่อมาพิจารณาลงเป็นธาตุเป็นขันไม่มีปฏิกูแล้วแต่ว่ามันเป็นวัตถุนี่ดินน้ําไฟลมมันสกปรกที่ไหนล่ะสกปรกไม่มีจริงใช่ไหมต่อมาเห็นมันว่างเปล่าจากความเป็นคนเป็นสัตว์พิจารณากายพิจารณาเป็นชั้นชั้นชั้นไป เสร็จแล้วก็ใจก็สงบแต่ไม่สงบซื่อบือ้อถ้าทําสมาธิเฉยๆเช่นหายใจไปเรื่อยๆนะมันจะเคลิมเคลิมซื่อบื้ออยู่อย่างนะั้นติดครูบาอาจารย์มีอุบายให้ออกมาคิดเรื่องกายคิดคิดคิดไปพอหมดเวลาพุโทโธพิจาณกายแล้วหมดเวลาแล้วยืนเดินนั่งนอนต้องรู้สึกตัวแล้วคราวนี้มีสติในชีวิตประจําวันงั้นพวกเราถึงจะเป็นคารวาสเราก็ต้องควรทํา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 ถ้าเทียบกับทางดนตรีลมหายใจเหมือนรีเทิมมันก็เรียกอะไรจังหวะจังหวะเป็นอะไรนะนี่พวกแกรมมี่อ้าวว่าไงเรียกอะไรยิ่งยิ่งเวียนหัวหนักเขาอีกเต็มโป๊ะงั้นไม่ต้องพูดก็ไดนะ้ปางแล้วเวียนหัวมากกว่าเก่าอีกคือนะมันเป็นจังหวะอยูนะเพื่อว่าไม่ให้เราเผลอยาวอย่างเราพุโทโธพุโทโธอยู่นี่นะ พอใจเราไหลไปคิดมันเลิกพุโทโธพอพุโทโธหายไปเราก็รู้สึกอุ้ยพุโทโธหายไปล้หลงไปแล้วก็รู้สึกขึ้นมามาพุโทโธอีกนะแต่บางคนพอพุโทโธนานๆชํนานาญนะหลงไปพุโทโธไปได้ด้วยนะอย่างนี้ต้องคอยระวังเหมือนกันนะหายใจเข้าพูดออกโธนะคิดไปได้ร้อยเรื่องนะแล้วก็พอลงจังหวะก็ค่อยมาพุทค่อยมาโธอีกทีหนึ่งนะพวกนี้เจ้าเล่ห์นะเจ้าเล่ห์หลวงพ่อก็เคยเป็นชํานาญนะ ทั้งวันทั้งคืนนะั้นมันทำมันได้นะไม่มีผิดเลยนะของหลวงพ่อนับพุทโธหายใจเข้าพุทออกโธนับหนึ่งนะนับถึงร้อยไม่มีผิดนะเดี๋ยวร้อยแล้วก็เริ่มนับใหม่เนี่ยแอบไปทําอย่างอื่นนะั้นมันนับต่อให้เรียบร้อยเลยนะมันดูทึตอนนี้เท่าไหร่ละนี่โอ้จิตใจนี่นะัมันพิลึกพิลั่นนี่เราทํากรรมฐานนะดูท้องฟองยุบก็ได้ใจแอบไปคิดก็รู้ใจไปเพ่งท้องก็รู้ใจเป็นสุขเป็นทุกข์ก็รู้ เราเอารมณ์กรรมฐานเนี่ยเหมือนเป็นแบ็กกราวด์ไว้ท่านะแล้วจิตใจของเราเนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นดนตรีมันเหมือนเป็นตัวเมโลดี้มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเราคอยตามรู้ตอนนี้เป็นเพลงเศร้าแล้วตอนนี้เป็นเพลงรักเนี่ยคอยดูอยู่ในใจเราเนี่ยใจเราก็แสดงบทบาทแสดงอารมณ์ต่างๆคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงไปเรืถึงจุดหนึ่งก็จะเห็นเลยว่าจิตใจนี้ทํางานทั้งวันทั้งคืนนะเห็นเองแหละ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 นในวันไหนจิตใจสบายแล้วเนี่ยทาเพื่อหัดดูสภาวะพุโทโธหายใจรู้ๆท้องผองยุบเพื่อหัดดูสภาวะจิตแอบไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้จิตเป็นสุขก็รู้จิตเป็นทุกข์ก็รู้หัดรู้บ่อยๆจนจิตจําสภาวะได้แม่นความสุขเป็นอย่างนี้ความทุกขเ์เป็นอย่างนี้จิตเผลอเป็นอย่างนี้จิตเพ่งเป็นอย่างนี้พอรู้แล้วเนี่ยต่อไปพอสภาวะอะไรเกิดขึ้นสติจะเกิดเองเช่นใจลอยแวบสติจะรู้สึกเองเลยว่าใจลอยไปแล้ว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 ใจที่เคลิมเคลิมใจที่เคลียดเครียดอกุศลและจิตชัดๆเลยจิต ท, ที่เป็นกุศลต้องรู้ตื่นเบิกบานสงบซาสว่างอ่ อ, อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวนะเบาสบายงั้นถ้าสติเกิดแล้วจิตเราจะเป็นกุศลเนี่ยจิตจะเบาจิตจะสบายจิตจะรู้ตื่นเบิกบานนะแค่สติมันเกิดขึ้นเองนะีจิต ท, ที่เป็นกุศลมันจะเกิดเองเลยอย่างเราใจลอยอยู่พอรู้ว่าใจลอยสติเระลึกได้ว่าใจลอยปั๊บนะ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 ก็จะเกิดขึ้นเชื่อจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจไดนะ้เสร็จแล้วก็จะเกิดวิมุตญาณทัศนะรู้แจ้งเกิดความรู้ความเข้าใจในความหลุดพ้นจนะเห็นนิพพานเนี้เต็มบริบูรณ์อยู่ต่อหน้าต่ ต, ตาเลยมีแต่ความสุขล้วนๆเลยคราวนี้นะความทุกข์มันเข้ามาไม่ถึงจิตใ จ, จอีกต่อไปแล้วความทุกข์มันอยู่ที่ขันเท่านีน้อยู่ที่ขันเราพ้นออกจากขันก็ไม่ทุกข์ น, ะนี่ตั้งแต่ต้นจนจบนะพูดใน5นาทีก็ได้นะออื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 เราก็ต้องไปดูนะว่าเราทำอะไรผิดอยู่ทาไมอาจารย์บอกว่าผิดเนี่ยมาไปหาท่านครั้งที่สามคราวนี้ไม่ผิดละมาพึ่งตัวเองได้ละใช้ได้ละไม่ต้องมาหาท่านก็ได้ดูยังไม่ได้สอนอะไรเราเลยนะไล่ละนะครูบาอาจารย์แต่ก่อนสอนน้อยนะสอนน้อยใจถึงถึงอ่ะ ตามรู้ตามดูลงมาในกายในใจบางองค์ก็ขยายหน่อยที่อย่างหลปูธานะเขบอกมีสติรักษาจิตอย่างเงี้ยมีสติคยรู้ทันจิตเราอยู่นี่แหละมันก่อนมีพระมาจากท่านอาจา ร, รย์แบนมีพระมาบอกว่าตอนแรกผมไปเข้าสํานักท่านนะกลัวท่านด่านะว่าผมไม่ได้พิจารณากา ย, ยาเราดูจิตไปอยู่กับท่านท่านสอนแต่ดูจิตฮะอย่างเงี้ย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 หลวงพ่อเวลาไปเรียนเรียนจากอาจารย์แก่ๆนะต้องเลือกที่แก่ไว้ก่อนนะสมัยโน้นไปหาแต่ละองค์แต่ละองค์ะงนะอายุมากหลวงปูด่ดูลนตอนไปหาท่าน95แล้วนะเ5เรียนอยู่กับท่านปีกว่าๆเองนะเจอท่าน6ครั้งเองนะไม่ใช่เจอเยอ ะ, ะเจอครั้งที่3ท่านบอกไม่ต้องมาละนะช่วยตัวเองไปหาหลวงปู่เทพบ่อยหน่อยบ่อยหน่อยหมายถึงปีละครั้งนะแต่อยู่ได้นานท่านอายุยืน แล้วก็เรียนจากหลวงปู่ซิมอะไรเงี้ยอายุเยอะๆที่เด็กหน่อยมีหลวงพ่อพุทธนี่แหละอายุน้อยหน่อยตอนเริ่มเข้าวัดจริงๆท่าอาจารย์มหาบัวยัยงไม่60สบเลยตอนนั้นไม่ไปหาท่านนะท่านยังหนุ่มอยู่เอาไว้เรียนจากอาจารย์แก่ๆก่อนเดี๋ยวอาจารย์แก่ๆตายไปก่อนคิด <c oughs> อย่างนี้นะแล้วเลือกด้วยนะหลวงพ่อชาก็ยังอยู่นะหลวงพ่อชาดังมากเลยหลวงปู่เขายังอยู่ดังมากเลยแต่ไม่ไปหาท่าน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 เารู้ว่าไปก็เข้าไม่ถึงหลวงปู่ขาวไม่ไปท่านนอนอยู่ในห้องกระจกหลวงพ่อชาท่านก็พูดไม่ได้อะไรเงี้ยไม่ไปจะต้องเลือกอาจารย์ที่ท่านสอนได้แต่ว่าส่วนมากก็ต้องเลือกอีกนะจัด priority เอาแก่ๆ ก, ก่อนนะอาจารย์อายุน้อยเดี๋ยวค่อยเรียนทีหลังค่อนะเรียนแต่ปรากฏว่าไปเรียนจากครูบาอาจารย์เยอะแยะนะสิ่งที่ท่านสอนเป็นอ e ันเดียวกันทั้งหมดเลย หัวใจของการปฏิบัติจริงๆคือความมีสติรู้กายรู้ใจนิ่งอาจามหาบัวถึงสอนเลยนะมีสติรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันสอนแค่เนี้ย ไ, ไปเรียนกับท่านนะไปถามกรรมฐานท่านท่านสอนให้แค่นิ่งแค่นี้พอแล้วแค่นี้ก็พอละที่ได้จากท่านอาจารย์มหาบัวอีกเรื่องตอนนั้นหลวงปูดูลไม่อยู่แล้วเก็ดูจิตของเราเรื่อยนะมันก็พัฒนามาเรื่อยแล้วมันไม่ติดขัดอยู่มีอยู่ช่วงเนื้อหลายปีเลย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 ท่านบอกว่าเอาไว้ก่อนยังไม่ว่างก็คุยโน่นคุยนี้นะทําอะไรต่ออะไรเสร็จแล้วท่านก็หานกลับมาว่าไงบอกเนี่ยผมดูจิตอยู่นะครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละองค์ก็บอกว่ามันไม่มีอะไรมากกว่านี้ให้ดูจิตอย่างเงี้ยดูเข้าไปเหอะเนี่ยแต่ผมรู้สึกมันติดขัดอยู่นะมันไปไหนไม่ได้ท่านก็บอกนะบอกว่าที่ว่าดูจิตมันไม่ถึงหรอกดูไม่ถึงหรอก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 บางทีเหมือนกับรู้สึกตัวอยู่นะแต่ไปรู้นอกๆรู้เข้ามาไม่ถึงใจจริงๆอะ่ะถ้ารู้มาไม่ถึงจิตถึงใจอย่างแท้จริงนะอริยามรรคจะไม่เกิดขึ้นนะใจไม่ตั้งมั่นพอไม่มีกำลังพอเพราะฉะนั้นเวลาที่เราบอกดูจิตดูจิตจะดูจิตลูกเดียวได้ไ้ยไม่ค่อยจะได้หรอกนะงั้นอย่าทิ้งสมถะนะแต่ถ้าทาสมถะแล้วเครียดแข็งแข็งทไม่ได้จริงๆก็ไม่ต้องไปทำมัน ให้สังเกตเอาใช้ความสังเกตว่าจิตมันไม่ตั้งมั่นเห็นจิตมันไหลไปอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยถ้าสังเกตได้แล้วจิตมันจะกลับมาตั้งมั่นได้นโ ย, ยมเยอะนะทํามาหลวงพ่อมันก็เลยปัดแกงไปมาแต่รอบนี้ดีกว่ารอบเช้ารู้สึกไหมรอบเช้าพวกปัญหาชีวิตเยอะ <c oughs> คนน้าทำไมชอบเอาความรุ่มใจมาเล่าให้พระฟังแต่หลวงพ่อไม่ฟังนะสังเกตไหมเพาหลวงพ่อไม่เปิดโอกาสให้พวกเราพูด มีบางองค์นะอาจารย์มหาวิบูรณ์ท่านใจดีท่านเป็นพระโพธิสัตว์ใจดีอยู่แม่สอดนคนชอบมาเล่าความทุกข์ให้ท่านฟังเลยเลยนะท่านก็นั่งฟังนะฟังแล้วก็ปลอบไปยิ้มไปเช้ายันขําทุกวันเลยมีลูกศิษย์คนหนึ่งเสีย อ, อาแกเริ่มสังเกตว่าคนที่มาหาอาจารย์นี่นะมันบ้าๆทั้งนั้นเลยแวไปบอกอาจารย์อเอท่านอาจารย์ ไอหลวงพ่อครับผมดูๆนะคนมาวัดเรามันบ้าๆนะเอ๊ะกูบ้าด้วยเปล่าเนี่ยแเกิดเฉลียวใจนะเอ๊ะกูก็บ้าเปล่าเนี่ยนะก็แบบเดียวกันนะคือมีเรื่องกลุ้มใจก็เป็นนั่งเล่าเล่าลเล่านะแล้แกก็เริ่มสังเกตไอทุกคนนะเอาความทุกข์มาใส่อาจารย์มาเล่าท่านก็นั่งยิ้มไปปลอบไปเรื่อยเดี๋ยวเขาก็ไปเดิมทั้นท่านทาสมาธิเก่งมาก